m mm -hmm. คนเราเกิดมาทำไมคำถามนี้เชื่อว่าหลายคนก็เคยถามตัวเองมาแล้วนะว่าฉันเกิดมาทำไมแล้วบางคนก็ตอบหรือว่าเอาความคิดของคนอื่นมาตอบนะว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้เป็นคำตอบที่ได้ยินกันมามากนะ จริงๆมันยังไม่ถูกทีเดียวนะฉันเกิดมาทําไมเนี่ยคำถามนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากคำถามว่านะฉันเข้าโรงเรียนทําไมฉันเข้าโรงเรียนทําไมนะเราเข้าโรงเรียนนะเราเรียนหนังสือเราเข้าโรงเรียนก็เพื่อมาเรียนหนังสือเพื่อมาหาวิชาความรู้ เพื่อพัฒนาตนนะจริงอยู่บางคนบอกว่าเนี่ยตอนเด็กๆ ก, ก็ไม่ได้ตั้งใจข้อโรงเรียนนะพ่อแม่พาเข้า ต, ตอนนั้นยังเด็กอยู่นะสองขัว บ, บ้างสามขว บ, บ้างพ่อแม่พาเข้าไม่ได้เข้าเองมันก็เมื่อการเกิดนะเราก็ไม่ได้เกิดมาเองนะ พ่อแม่ทําให้เราเกิดมาหรือว่าถ้ามองไกลไปอีกหน่อยย้อนถอยหลังไปหน่อยก็บอกว่าเป็นเพราะกรรมนะทําให้มาเกิดอจะอย่างไรก็แล้วแต่นะการมาสู่โลกนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนการที่เข้าโรงเรียนจะเป็นพ่อใครพาเรามาเกิดในโลกนี้ก็ตามนะหรือว่าจะเป็นพ่อใคร พาเราเข้าโรงเรียนก็ตามนะเมื่อเราเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็รู้แน่นะว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนะก็คือเพื่อมาศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อพัฒนาตนนะพัฒนาศักยภาพของเรานะจากเด็กที่ไม่รู้หนังสือก็อ่านออกเขียนได้จากที่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถที่จะ แต่งเรียงความหรือจงกระทั่งเขียนหนังสือสามารถที่จะผลิตหรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมีความรู้นะจนกระทั่งสามารถจะอยู่ได้สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ทําความเข้าใจกับโลกสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้มัน เป็นประโยชน์เกื้อกูลอันนี้คือจุดหมายของการมาเรียนหนังสือให้การที่เราเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันนะไม่ต้องถามว่าใครพาเราสู่โลกนี้นเร า, อาตอบไม่ได้ว่าเราเกิดมาทําไมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจมาเกิดในโลกนี้น แต่เราสามารถจะหรือควรที่จะตอบให้ได้ว่าเราอยู่ไปทําไมนะเกิดมาทมําไมจะตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจที่จะมาเกิดในโลกนี้แต่เราสามารถจะตอบได้ว่าเราอยู่ไปทําไมหรือควรจะตอบให้ได้นะเช่นเดียวกับ นักเรียนหนะ้าที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าโรงเรียนนะพ่อแม่พาเข้าแต่เมื่อเข้าโรงเรียนแล้วก็ควรจะตอบให้ได้ว่าเรียนไปทําไมเมื่อถามว่าเรียนไปทําไมก็คงจะได้คําตอบกันนะว่าเราเรียนไปเพื่อเอาวิชาความรู้นะเพื่อได้พึ่งตนเองได้ไม่ใช่เรียนเพราะว่ากลัวถูกครูตีกลัวถูกพ่อแม่ตีหรือว่ามาเรียนเพื่อจะ เอารางวัลจากพ่อแม่คนฉลาดเนี่ยเด็กที่ฉลาดเนี่ยเขาไม่ไม่ได้เรียนเพื่อจะเอารางวัลจากพ่อแมนะ่แต่เขาเรียนเพื่อจะเอาวิชาความรู้การที่เรามาอยู่ในโลกนี้นะแล้วก็มีชีวิตมาจนถึงป่านนี้เนี่ยนะก็ควรจะตอบได้เช่นเดียวกันนะว่าเราอยู่ไปทำไม ถ้าถ้าเป็นคนฉลาก็หรือว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ก็สามารถจะพบคำตอบได้ไมา่ยากเวลาเราอยู่นะเพื่อที่จะพัฒนาตนฝึกฝนตนเพื่อมีสติเพื่อมีปัญญาเพื่อมีคุณธรรมนะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเทียบพึ่งตนเองได้อย่างที่พระเจ้าตัดบาตเนี่ยจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็หมายถึงการมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเกาะในที่นี้เนี่ยนะเรานึกภาพมันก็อยู่กลางทะเลนะทะเลนี่ก็เต็มไปด้วยอันตรายนะมีปลาฉลามแล้วก็มีน้ำนะํำที่มันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะมีชีวิต อ, อยู่ได้นานๆ เราลอยคอยอยู่ในทะเลก็ลอยคายได้ไม่นานหรอกนะมันต้องมีเรือต้องมีเกาะเนี่ยถึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้อันทะเลจะกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนอันตรายเพียงใดแต่ถ้าเรามีเกาะเราก็ปลอดภยัยถ้าเราจะมีเกาะได้เนี่ยนะก็เพราะมีธรรมะนะมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึง่ง เราอยู่ก็เพื่อศึกษาธรรมะเพื่อพัฒนาธรรมะให้เจริญงอกงามมันก็เหมือนการเรียนหนังสือนะเพียงแต่ว่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเราเรียนวิชาทางโลกเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเราหรือว่าการมาอยู่ในโลกนี้ของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรา ขาดไม่ได้คือการเรียนนะวิชาชีวิตเรามาในโลกนี้แล้วก็เราอยู่ในโลกนี้เรามีชีวิตก็เพื่อที่จ ะ, ะร่ำเรียนวิชาชีวิตนะให้ช่ำชองให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จ ะ, อะเอาตัวรอดได้พ้นจากทุกข์ภัยแล้วก็มีชีวิตที่ผาสุขมีจิตใจที่งดงาม และเป็นอิสระสงบเย็นก็ น, นี้ในการเรียนเนี่ยนะจะเรียนให้ได้ผลปัญญาจะงอกงามได้เนี่ยมันต้องมีการบ้านนะมันต้องมีการบ้านและการบ้านเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะมีตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากการบ้านบางอย่างก็ไม่ต้องใช้สติปัญญามากนะ ใช้ความอดทนใช้ความพยายามใช้ความเพียรเช่นคัดเลข ค, คัดลอกกอไก่ขอไข่ขีดเขียนตามเส้นประนะกอไก่หรือว่าเขียนข้อความหรือประโยคหนึ่งเนี่ยประมาณสัก10ครั้งยี่ครั้งสมัยเด็กๆ เ, เราก็ทํากันบ้านแบบนี้แหละทาซ้ําๆทําซ้ําๆแต่ว่าพอ โตขึ้นโตขึ้นนะมีวิชาความรู้มากขึ้นการบ้านก็จะยากขึ้นยากขึ้นโจนทย์คณิตศาสตร์โจทย์วิทยาศาสต ร, ร์คำนวณหรือว่าภาษามันก็จะยากขึ้นการบ้านที่มีเพื่ออะไรนะเพื่อฝึกให้เราเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีสติปัญญาอันนั้นการบ้านเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับวิชาทางโลกวิชาชีวิตก็เหมือนกันนะมันก็มีการบ้าน นะการบ้านเนี่ยก็มีหลายแบบหลายรูปลักษณ์การมาเจริญสตินะการรักษาศีลนะมันก็เป็นการบ้านอย่างหนึ่งเหมือนกันนะช่วยฝึกกายวาจาช่วยฝึกใจแต่ว่าการบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะสำหรับวิชาชีวิตนะบางทีก็มา ในลักษณะที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันยากเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยนะความเจ็บป่วยนะหรือว่าความพัดพรากสูญเสียเงินหายนะโทรศัพท์หายหรือว่าถูกโกงอันนี้เนี่ยมันคือการบ้านนะมันคือการบ้านสำหรับวิชาชีวิต อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเรามาในโลกนี้นะเรามีชีวิต อ, อยู่เนี่ยก็เพื่อนะการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนนะเพื่อการเรียนวิชาชีวิตเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะการบ้านนะมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะปวดหัวตัวร้อนบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะเงินหายของหายบ้างถูกต่อว่าด่าทอบ้าง งานการไม่ล้มเหลวบ้างงานการล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จบ้างหลายคนไม่เข้าใจนะไปคิดว่านี่คือเคราะกรรมเสร็จแล้วก็ตีโพยตีพายปนะอดครวญปวดไวไวไม่เอาแล้วอยากจะหนีที่จริงแล้วเนี่ยนะให้เรารับรู้ว่าเนี่ยคือการบ้านที่จะมาฝึกเรานะคนเด็กทั้งเด็กเนี่ยนะถ้าหากว่า หรือนักเรียนนักศึกษาก็ตามถ้าเจอกันบ้านอยากยาแล้วก็หนีนะอันนี้ก็ไม่เรียกว่าฉลาดเพราะว่าปัญญาไม่เกิดนะความรู้ก็ไม่งอกเงยหลายคนเวลาเจอความทุกขนะ์เจ็บกล้ได้ป่วยนะก็แต่ตีโพลตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะเงินหาย ถูกโกงก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เรียกว่าสอบตกแล้วนะสอบตกแล้วสำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าเรามาโลกนี้เพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรถ้าชัดเจนนะว่าเราอยู่เพื่อพัฒนาตนเนี่ย ก็จะเห็นว่าไอ้ความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันคือการบ้านที่จะมาฝึกเราให้เข้ม <c oughs> แข็งจะไม่ท้อแท้แตจจะไม่อดครวนอาจจะบ่นบ้างนะทีแรกนะแต่ว่าสุดท้ายจะตั้งหลักได้นะจะยอมสู้กับมันจะฝ่ามันไปให้ได้จะไม่หนีหรือว่าจะไม่ทำร้ายตัวเอง หรือบางคนถึงกับอาคิดจะฆ่าตัวตายเขาเพราะเขาคิดว่าอันนี้มันคือข้อกรรมที่นมันเกิดกว่าที่จะรับได้แต่ลองปรับใจสมัยว่า น, นี่คือการบ้านยิ่งคนที่เก่งคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะมีการบ้านยากๆเนี่ยส่งเข้ามาเพื่อฝึกเราให้เราฉลาดเพื่อเราเข้มแข็งขึ้น ถ้าเรามองแบบนี้นะว่าความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันคือการบ้านเนี่ยซึ่งมีประโยชน์นะมันไม่ได้มีโทษถึงแม้มันจะยากนะแต่มันมีประโยชน์เราก็จะมีกำลังใจเราก็จะมีนะความ เ, าเรียกว่าฮึดสู้นะแต่ถ้าเรามองไม่เป็นมองไม่ถูกเนี่ยเราคิดแต่ว่าเป็นข้อกรรมเราก็จะเอาแต่จมอยู่ในความทุกข์กลัดกลุ้มใจ เมื่อวันสองวันนี้ก็มีคนมามาปรึกษาไม่รู้จักหรอกเขาเขียนมาทางเฟซบุ๊กบอกว่ามีญาติคนหนึ่งเป็นญาติที่สนิทนะเขาไปกู้หนี้ยืมสินมานะใช่ไหมเขามีความต้องการใช้เงินมากเธอก็คุณกับญาติคนนี้ก็เลยช่วยไปหาเงินมา ให้เธอได้ใช้นะก็คงไปจ่ายหนี้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละตัวเธอเองก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เธอก็ไปไปกู้ยืมเงินมาจากคนรู้จักบ้างนะแล้วก็ไปกู้ยืมเงินมาจากพ่อแม่ของแฟนแฟนคนนี้ก็ไม่ทราบเป็นสามีหรือว่าเป็นแฟนกันธรรมดาแล้ววันดีคืนดีนญะาติคนนั้นก็ เกิดมีปัญหาการเงินไม่สามารถจะจ่ายหนี้ได้สุดท้ายก็เลยนะหนีนี้นะหนีนี้นะน เ, งเงินที่ย่าจะมาจ่ายให้เธอเพื่อเป็นอ่าค่าใช้จ่ายหรือเป็นเงินที่ชำระหนี้ที่เธอไปกู้ยืมเงินมามาให้กับย่าเนี่ยก็เลยหายไปเธอเลยต้องนะจ่ายหนี้เองนะส่งดอกเอง เรื่องแบบนี้นี่เราคงได้ยินมาอยู่เรื่อยๆนะล่าสุดก็คนก็มีข่าวนะต้องจ่ายเงินค่าคําประกันเพราะว่านักศึกษาที่ตัวเองคํ า, าประกันไว้เป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ไม่ยอมกลับมาใช้ทุนนะคนที่คําประกันแล้วก็ต้องจ่ายนะเป็นล้านนะสิบล้านได้ ไอ้แบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอันนี้พยงกร น, นีแกก็ทุกมากนะกุ้มหัวกุ้มใจมากเพราะว่าไม่มีปัญญาจะจ่ายหนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นหนี้ของเธอเองนะเป็นหนี้ที่เกิดจากความปรารถนาดีที่จะช่วยญาติก็เครียดมากเงินที่หาได้ก็ได้แต่เพียงแค่ชําระดอกแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บัง ก็เคลียอจงกระทางคิดจะฆ่าตัวตายก็เลยแนะนำเข้าไปว่านะไอความทุกข์ที่มันเกิดกับเราตอนนี้เนี่ยมันก็มือนก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็ต้องดับไปสักวันหนึ่งก็ต้องหายไปไอการที่ คิดว่าความทุกข์มันจะอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยไม่ทําให้เราท้อแท้มันไม่อะไรที่จีรังนะแม้แต่ความทุกข์ก็ไม่จีรังเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดอสักวันหนึ่งนะเราก็จะลืมตาอาปากได้ ม, มีหลายคนที่เป็นหนี้นะร้อยล้านพันล้านโดยเพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40หลายคนเหล่านี้เขาก็ไม่หนีแล้วก็ไม่หนี้หนี้แล้วก็ไม่หนีหนหนออกจากโลกนี้นะคือไม่ค่าตัวตายเขาก็พยายามนะใช้หนี้ระหว่า ง, งที่ใช้หนี้ก็พยายามเจรจาประนอมหนี้กันไปใช้ไปพางนะเจรจาไปพางนะมาถึงวันนี้มานะถึง ปีนี้พศออนี้หลายคนก็กลับมามีชมีวิตใหม่ตั้งตัวได้อาจจะไม่รวยอู้ฟู่เหมือนก่อนนะแต่ว่าก็มีความสุขคนเหล่านี้เนี่ยก็คงอาจจะรู้สึกว่าเออตัดสินใจถูกนะที่เราไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าไอ้นี่รอยล้านพันล้านนี่มันก็เป็นแค่ของชั่วคราว จริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากนะอย่าไปกังวลถึงอนาคตเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจนะส่วนใหญ่ที่ทอนี่ก็เพราะว่าคิดถึงแต่ว่าโอนเงินเป็นร้อยล้านสิบหรือว่าพันล้านนี่จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหรือคิดแต่ว่าเมื่อไหร่ prosper, มันจะหมดเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อไหร่มันจะหมดนะคิดแบบนี้เนี่ยทำให้ทอได้ เหมือนคนติดคุกเนี่ยนะสาปีหรือติดคุก40ปี50ปีเนี่ยเอาแต่เอาแต่นับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะออกจากคุกเมื่อไหร่จะคุกเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะท้อจกนกระทั่งค่าตัวตายแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับปัจจุบันนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่วันนี้ให้มีความสุขพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นอีกกี่วันอีกกี่ปีอีกกี่เดือนจะออกจากคุกนั่นเป็นเรื่องของอนาคต นี่มันจะใช้อีกกี่ปีกว่าจะหมดก็เป็นเรื่องของอ น, นาคตแต่ว่าวันนี้นะเราก็พยายามหาเงินมาใช้นี่เดือนนี้ตั้งใจว่าจะจ่ายจะหานี่หาเงินมาจ่ายนี่แสนหนึ่งหรือว่าหนึ่งหมื่นก็สนใจแต่เฉพาะเดือนนี้นะไอ้ส่วนอีกกี่ล้านที่รออยู่อย่าเพิ่งไปสนใจนักปีนเขาที่เก่งๆ เ, เนี่ยนะเขาสูงสูงนะขนาดเอเวอเรสต์เนี่ย เวลาเ็ปีน เ, เขาเนี่ยเขาใจเขาไม่ได้อยู่ที่ยอดเขานะใจเขาอยู่ที่พื้นที่เขากาลังเหยียบย่างอยู่ถ้ามันพื้นตรงนั้นเนี่ยมั่นคงแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดแล้วถูกทางเนี่ยถึงแน่นะยอดเขาจะ ก, กี่เดือนก็แล้วแต่งานยากเนี่ยมันกลายเป็นงานง่ายเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันไม่สนใจ จุดหมายไปทางซึ่งอีกไกลเนี่ยจะถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆทำวันนี้ให้ดีแล้วก็บอกเข้าไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ปัญหานะที่ทำให้ทุกข์ใจปัญหามันเกิดเพราะไปแบกหนี้ไปแบกเอาไว้ถ้าใจไม่ไปแบกหนีนะ้มันก็ไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่นะเมื่อก้อนหินเนี่ยถ้ามันวางอยู่บนพื้นเนี่ย เราไม่ทุกข์หรอกแต่พอเราไปแบกต่อเมื่อเราไปแบกก้อนหินนี่เราถึงจะทุกข์เราถึงจะเหนื่อยนี่มันจะก้อนใหญ่แค่ไหนก็อย่าไปแบกมันตลอดรู้จักวางบ้างก็จะทำให้เรามีความสุขได้ครบเดือนก็หาเงินมาจ่ายนี่จ่ายดอกไปทัอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่นานก็จะค่อยๆโหดค่อยๆหายไปเอง ไอ้ที่จะมคือว่าต้องมองว่าเนี่ยนะไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือการบ้านอย่างหนึ่งนะที่มาฝึกเรานะฝึกเราให้รู้จักใช้ธรรมะนะใช้ความรู้นะใช้สติปัญญาทางธรรมเนี่ยเพื่อมารับมือกับมันนะถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยเราจะเข้มแข็งกว่าเดิมเราจะฉลาดกว่าเดิมแล้วถึงเวลาสอบไล่นะเราก็จะผ่านฉลุย อย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าเรามาในโลกนี้เนี่ยก็เหมือนกับเรามาเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีการบ้านทดสอบความรู้ของเราเท่านั้นนะมันมีการสอบไล่ด้วยนะการสอบไล่ก็มีมาเป็นช่วงช่วงก่อนที่มีสอบไล่ก็มีสอบซ้อบนะแต่ว่าถึงสุดท้ายก็มีสอบไล่นะ สอบไล่ตอนไหนนะสอบไล่ตอนจะตายนี่แหละความตายเนี่ยมันเหมือนกับการสอบไล่แล้วมันก็ไล่จริงๆนะก็คือว่าถ้าสอบไม่ได้ก็ตกเลยนะไม่มีการแก้ตัวไม่มีการสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าสอบได้นะก็ไปสุคติ้คนเนี่ยไม่ค่อยเฉลียวใจนะว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยมันต้องสอบไล่ ก็บางคนก็ปล่อยบางคนไม่มีการบ้านยากๆเข้ามาในชีวิตก็ชะลาดใจประมาทเพราะไม่มีการบ้านก็เลยไม่ค่อยขยันเรียนนะอะไรแล้วก็ดูง่ายไปหมดก็ดูเหมือนมีโชคนะว่าไม่ไม่ค่อยมีการบ้านมาให้อ่ามาทดสอบก็มันกับางคนนะชีวิตก็ราบรื่นมาตลอดนะร่ารวยนะ งานการก็ไปได้เรื่อยๆไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะมีคนเชิดยกย่องสรรเสริญเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดีเสมอไปน ะ, นะเพราะว่ามันเหมือนกับนักเรียนนะที่ไม่ค่อยเจอการบ้านเท่าไหร่หรือเจอการบ้านง่ายๆถึงเวลาสอบไล่เนี่ยเจอข้อสอบยากเนี่ยนะสอบตกเลยนะคนที่ใช้ชีวิตยอย่างประมาทเพราะว่าชีวิตมันสบายไปนะไม่ค่อยมี ความทุกมามาให้ได้ฝึกให้ได้เรียนรู้เนี่ยถึงเวลาตายก็ตายแบบเรียกว่าไม่ถันตั้งตัวเลยตายแบบทุรนทุรายเพราะว่ า, าไม่เคยได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่เคยได้ฝึกเลยไอ้วิชาชีวิตก็ไม่เคยได้เรียนหรือฝึกฝนให้ชำชองในทางตรงข้ามคนที่เขาเจอนะความทุกมามากก็หมาว่าเขาเจอการบ้านมาเยอะ เขาก็จะเมื่อถ้าเขาผ่านมาได้เนี่ยเขาจะมีความรู้มากขึ้นนะแล้อถึงเวลาที่ต้องสอบไล่เขาก็จะผ่านไปได้ก็คือเมื่อเวลาจะตายเขาก็ปล่อยวางได้เนะี่เขาก็ภูมิใจว่าได้ทำความดีมามีสุกติเป็นเบื้องหน้าให้ความทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนะเขาก็ผ่านมันไปได้เพราะว่าไอ้ที่ ตลอดชีวิตก็ได้เจอนะเจอความทุกข์แล้วก็รู้วิธีที่จะอยู่กับมันนะรู้วิธีที่จะพาจิตพาใจฝ่ามันไปได้แอ้ <c oughs> คนที่เจอนะความทุกข์ในชีวิตเนี่ยนะนะสูญเสพธพราบเป็นหนี้เป็นศินงานการไม่ราบรื่นนะหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยให้มองนะให้ตระหนักว่ามันไม่ใช่ข้อกรรมมัน มันคือการบ้านนะที่เรียกว่าธรรมชาติก็ได้หรือว่าสังสารวัตรเนี่ยส่งมานะเพื่อให้เราเนี่ยเข้มแข็งให้เรามีสติปัญญามากขึ้นแลถ้าเรานะใช้ความรู้ที่มีนะใช้สติใช้ปัญญานะรู้จกนะักหาวิธีที่จะผ่านพ้นความทุกข์ได้ทีละนิดทีละนิดเนี่ย เราจะมีความเข้มแข็งขึ้นเราจะมีปัญญามากขึ้นถึงเวลาสอบไล่นะเราก็ผ่านไปได้นะมีสุขตินะเป็นที่หมายให้เราวางใจแบบนี้ตั้งมองแบบนี้นะมันจะมีกำลังใจมันจะมีแรงขึส้สู้นะแล้วก็จะมีการระดมความเพียร น, นะเวลาเจอความทุกเวลาเจอความยากลำบากนะจะไม่ ยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือแล้วมันจะไม่ท้อถอยนะจนกระทั่งคิดสั้นวิชาชีพมันเป็นวิชาที่ต้องเรียนนะค ว, ค ว, ค ว, ควบคู่หรือพร้อมๆรปกับวิชาทั้งโลกและวิชานี้มันก็ไม่ค่อยมีหลักสูตรนะที่ชัดเจนนะเหมือนกับเรียนวิชาทั้งโลกนะวิชาทั้งโลกมีห้องเรียนมีตำรานะมีการมีการให้ประกาศเ น, นื้บัตรให้ปริญญานะวิชาชีพมันไม่มี แล้วก็การบ้านก็มาแบบบางทีตั้งตัวไม่ติดเรียนหนังสือเนี่ยเราก็รู้นะว่าอันนี้คือการบ้านนะแต่ว่าวิชาทางโลกวิชาวิชาชีวิตนีนะ่การบ้านมันมาแบบที่เราคาไม่ถึงก็มีแล้วก็บางทีก็มาทีๆด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็ลดมีประโยชน์นะถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ธรรมะนะเอามาใช้แก้ไขใชาเียพูดกันท่้นนี้น ะ, ะกราบครบ